จิต ใ, ใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำเรียกว่าเป็นประจำจิตนี่เป็นในิสัยของจิตไม่ได้คิดเด็ดตรงมันอยู่ไม่ได้คิดปรงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพตรงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิอก็เอารมณ์นั่งเนี่ยเราเป็นเพื่อน ความคิดมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติด น, นัสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราพร้อมที่จะติดลานจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไข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 ถ้าจนะิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรงุงหมายนั้นหมายนี้ล้วนยากตั้งแต่จิตหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายกายกองมากยึ่งกว่เรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลาดับและให้คิคัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิด เรื่องที่ควรส่งเสริมเนี่ครแก้ไขดัดแปลงลึกควรลบล้างเราไม่มีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้นั้นจริงต้องได้เรียนในรู้วิถีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าวคือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับจิต มันก็มมีอะไรปิดบังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึ ง, งเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครอยู่ที่ใดก็ตามในน้ำบนบกบนอากาศใกล้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกอารมพบความก็ต้องกระเทือนกักทุกอยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือ และงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์ทั้งๆที่ใครก็ไม่ปาดขนานผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางรอดออกจากทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายังยังดีพวกเรา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 ก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมดูบาต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นํามา ส, อ, สอนก็ดีที่ในศึกษาเราเรียนก็ดีเราจรึงควรถือเป็นสําคัญเพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกเพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้่องทุก การปฏิบัติก็เพื่อจะตอดถอนทุกข์ตามอุบายที่คันสอนไว้หาดบางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกขึ้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของแต่โลกทั้งที่ เ, เรารร้รู้อย่างนี้มีมากมายก่ายกอน แต่เพราะอย่างยิ่นทุกที่เกิดขึ้นจากนิเวศนิเวศทำให้เกิดความทุกข์ให้กระทุกขระเทือนแก่ด้านจิตใ จ, จนี้เป็นสิ่งที่ศาสโลกสะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากเกิดมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถ้วะจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของศาสตรโลกด้วยกันไม่มีบกข้อง สัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนถ้าท่านบรนณะไหนก็มัมนก็เหมือนเหมือนไกน่เพราะธรรมชาตินี่มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นกาน ร, ปรเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี่ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์ยิงฉันมีเพื่ออันใดมาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้น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 ในเรื่องของขทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผลิดขึ้นมา เ, เรื่อยเรื่ยเรความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยเื่อยหาทางยิ่งสุดหรือติไม่ได้าศาสนธรรมที่ถั่นสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีาศาสนธรรมทำนี้เท่านั้น เมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกข์นี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินนำทางตงนเองและแก้ทุกข์้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับคบรูปรายการก็มีแตสยาภูมิ ผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพร ะ, ะพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ศึกษาต้อก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนพ้นแต่หน้าโดยลําดับ น, นี่เราทำมากองทุกกองทุกที่ว่าสัจธรรม ท, ทว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นนะเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงจริงไหม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 ประกาศผนของกิเลสอย่างโดยมนตรงตรงทีนะประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้หรอเห็นห่ือท่านพูดอย่างถูกตั้งเลยประกาศโดกกษัตริย์คนทั่วไปอโกนุฮาโซจิมานันโดนิตจังปัชริเตสติอันทกาโอเรนะโอนัคธะปิปังนั้่งเวสัทธะ อย่างที่พูดทิศขลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกทันทีวาทนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเท้าขามอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรน่นทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเราเนี่ยโกนุห้าโซนก็หมายถึงว่าหัวเราะรุ่นเริงมันถึง นิจจังปัธิยเกษตรินนึกมาโอ้โไฟที่เรียกกันหาแต่ว่ามันเผาผลาญนี่ตลอดเวลาทําไมจึงมีใจะจิตใจใ จ, ะจะเพลิดเพลินดึ๋นดึ๋งอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฎิปังปฏิปังนักเวสชาจึงจรรอันธกาโลเลนะโอนาทาทัคขาคือความมืดบอดมันครอบจิตตลอดเวลาพระจะสว่างตะวันจะกี่ ด, ดวงก็ตามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหล ตัวมืดด้วยอำ น, นาจของที่เหลมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจริงต้องขึ้นเริ่มกันอยู่ละไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่ก็เป็นพระออวาดของพระพุเทเจ้าเป็นพุทธภาสิตมันน่าสรุสของเวทอยู่ไม่น้อย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 ลุงลืมไปแล้วลงลืมไปแล้วเออส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลานีเ่เราจะไปสามารถทราบได้อย่างไรในพพในชาติของเราที่เป็นมามากน้อยผักผีพยานก็คือตัวสำคัญได้แก่ที่เหล็กที่เป็นเชื้อให้เกิอดอยู่ตลอดเวลาภพภพทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะที่เหล็ก เป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะที่เรียตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี่จะเป็นเครื่องยืนยันพบทราบของตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามมื่อผพวกผีชาติที่เคยเป็นมามันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคําว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายามันก็เป็นนักแบกขามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผิดยี่เหล็้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่ยิ่งเด็้เป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในใจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่นผิดขึ้นมาให้เรานั่นเอง แต่ละบุคคลบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกัางวันอยู่ทั่วโลกดินแดงในใจโลกกษัตรย์นี้เต็มไปด้วยทุกเป็นไปร้วยสัจธรรมการสัจะทําคือทุกขสัจก็เป็นสัจธรร ม, ข, รร ม, รมข้อหนึ่งสมุทัยาศาสต ร, ร์ก็ได้จะตัวขี้เล็กที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกขึ้นมาให้สัจต่างหลายเดินรับความทุกข์ความทรมาน มันก็ประกาศกัางวานอยู่ภายใจิตใจของสัตว์โลกเงยํามเมื่อมาส์คือข้อปฏิบตัติทางดําเนินไม่มีศัจะทําทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตําแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองแม่ขยับขยายตัวเองกออกจากที่ที่เคยอยู่ได้แต่ จ, จิตใจของสัตว์โลกนั่นแลเป็นสถานที่อยู่ของเด็ก ของทุกข์กษัตริย์และสมุทัยกษัตริย์ออกจากนั้นก็ขดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเรื่องกาย ท, ทั้งหมดก็เป็นสฐานที่อยู่แห่งทุกข์อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกขนแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองชัตจักนี่แหละเป็นเจ้าคลองโลกคลองสงสารคลองวัฏจักรให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไป มุนมาเกิดแจ็เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันตายขอบดงตายไปตายมาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมที่เลี้ยมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัตจับมันหมุนอยู่ในวัตจับมันก็เหมือนกับกลมเ ก, กเกิดเจ็บตาเ ก, กเกิดเจ็บตายต่อเมื่อได้ปัจจธรรมอัน ข้อที่สี่อนุมาเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจง้นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของพิเดชผิดขึ้นมาจะค่อยจังไปจางไป เนึ่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกําจัดเป็นตัวชาร ะ, ะเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเขามาทํางานอยู่ในที่นี้ที่เร่ก็เริ่มขยับขยายไปโดยลําดับกลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกระมากน้อยเพียงไรที่เลร่ก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัต์ ทำหน้าที่วิชกำละอติกรทําลายวัตจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทาทําลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลำหนักจนกระทั่งทําลายได้โดยที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นมิมุติปนิพานบ์ดุพนแล้ว จากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัตจักรได้แก่ความกิดแก่จิตตายมุนเยียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจำคือวั ต, ตจกักรเจ้าผู้รับความทุกข์คือนักโทษก็ได้แต่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยถ้าจะทําคือมรรคตรนี้เป็นเครื่องทําลายนิโรธศาสต ร, ร์นั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำหน่ำดับอันเป็นผลมาจากมากที่มีกําลังมากน้อยนั่นเอง ทั้งสามสี่อย่างนี้ทําหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมกษัตริย์ก็มาทํางานอยู่ภาจิตใจทิเลต ก, ก็ทํางานอยู่ภายใจิตใจอำมาจกิเดตไปได้มากน้อยก่อ น, นั้นอํานาจของมกษัตริย์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามันดับแงทงกิเลตที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมกษัตริย์มีความสามารถเต็มที่กำจัดสมทุทยสัตว์ ไม่หมดประจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสินใดเหลือู้นิแลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความเกิดแก่เสีตายในวัฏฏสงสรัรอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือศาธานาธรรมมีมากแต่เป็นสำคัญท่า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 ผู้นั้นจะไม่มาตกหุมตกตกเหวตกบอก่อคือความกดแจกเสียดายรับความทุกข์ความลาบากเหมือนอย่างจัดโลกทั้งหลายที่เป็นอยู่ในลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอนว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพยามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้จะกากเมืองได้แตร่างกายนี้เจ็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรณาท่าขันไม่มาขาดขันของใครแม้จะผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บ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 เสลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเราเรื่องของขันที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิจเราก็ทําความรอบคอบต่อขันเราอย่าไปโง่กว่าขันถ้างโง่โง่กว่าขันเราก็ยอมแบบทุกที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่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 แล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยโดยลํำพางตนเองแต่เขามีความฉลาดขันเป็นทุกข์ก็ให้ซาเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าเทียกันนี่คือว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจริงแห่งสัจธรรมที่พุทธเจ้ทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่มีการกระทบกระเทือนแก่ตัวจะเป็นสุขโตดูก็เป็นสุขโต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 ทำลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื่อยๆเเพราะเราไม่สู้นี่หวังเราหยอกทีนี้เราสู้ตอนเห็นใครชนะกันถึงเรียกว่านักลบไม่ใช่นักหลบอะไเกิดขึ้นมาก็หลบหลบหลบหลบหลบซ่อนเขาก็ตามไปเดียวเลยไปหลบไปซ่อนสู้มันจนอ้าวหาลงเวทีนี่หว่านักมวยเอว่ะ นี่เราก็นักสู้เอกศู้ไปไม่ถอยพระพุทธเจ้าไม่ไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรบอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวากเป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้านีพุทธังสังคังสนังฉา น, นิคือผู้กราหารทานไถยต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริง ด้วยสติปัญญาแต่ไม่กล้าวิเชยให้เขาตีเอาต๊ะอุ้มตูมนั่นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยล้วก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราก็คือว่าเดินตามครูนี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลักนาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้พดพาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจ เสียไปไหนแล้วไม่ต้องประชิดถึงเรื่อง น, นรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทําความดีทาความเสลียวฉลาดอัดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่แหละเป็นตัวการสําคัญที่จะไปพบไหนไหนก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตตัวโง่และตัวฉลาดนี้วันจึงสร้างความฉลาดให้จิตเมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาด